ศีลนี่พ่ออัดว่าอะไรอัดฐานของศีลนะว่างั้นศีลชื่อว่าศีลเพ่ออัดฐาว่าอะไระที่จริงทุกคัมภีร์เลยเนะทั้งปฏิสัมพิธาเนี่ยทั้งปฏิสัมพิธาทั้งวิสุทธิมรรคทั้งอิติวุตกะทั้งนิเทศทั้งจริยาปิดกเห็นไหมทุกคัมภีร์ทั้งหมดใช่ศัพท์เดียวคือศีลแล้วนะ ใช้สับเดียวแต่ว่าแปลไม่เหมือนกันสักคนเลยอถ้าหากว่าฉบับของมหมามกุฎเนี่ยนะแปลว่าศีละนะเนี่ยแปลว่ามูลรากถ้าหากว่าฉบับของภูมิพโลแปลว่าควบคุมแต่แปลว่าเป็นดีกาเนี่ยนะดีกาของภูมิพโลแปลว่าควบคุมส่วนเล่มที่เราใช้เนี่ยแปลทับสับว่าสีละนะ ถ้าหากว่าในปฏิสัมพิธาฉบับภูมิพภโลปแปละว่าตั้งมั่นฉบับ9 1เล่มเนี่ยใช้ศัพท์ว่าสำรวมอิติวุตกาเนี่ยแวกแนวปแปละว่าปกติสีละณะแปลว่าปกติส่วนในคำพิมพ์มหานิเทศอัตกถาท่านบอกการปฏิบัติสีละณะแปลว่าการปฏิบัติส่วนจริยาปิดก จริยาปิดอกเนี่ยนะอาจารย์ในจริยาปิดกแปลว่าการละเว้นอาจารย์สมพรบอกการงดเวนเ้นนก็สับเดียวนะสีละนาเนี่ยโอ้โหแสดงว่าอาจารย์ศรัทธาอะไรกว่าผู้ใดศรัทธาสับไหนก็พึงเลือกเอาตามแต่จะเห็นสมควรเธอเห็นไก็เก้าฉบับเนี่ยนะไม่มีฉบับไหนแปลเหมือนกันเลยแต่ว่าบาลีสับเดียวกันคือ สีละณนะถ้าเป็นภาษาบาลีเนี่ยนะสีลณ ะ, ะเนี่ยนะชื่อว่าสีละณะเนี่ยเป็นอย่างไรท่านบอกเลยอ่าชื่อว่าสีละณะได้แก่สมาทานังกับอุปธานังนั่นนะบอกเลยทุกคำพีจะอธิบายเหมือนกันหมดว่าสีละณะคือสมาทานังกับอุปธารนังสมาทานังกับอุปธารนัง ปุปทานังสองคำเนี่ยนะความหมายของคําว่าศีลศีลณะเนี่ยนะมีสองความหมายแล้วคําพีตามสายสายสายพระพุทธโคสาจารนหนังกันเถื่ยอมรับเท่านี้แหละยอมรับสองอัฏฐานนี้คําว่าสมาทานนังก็คื อ, อความตั้งมั่นเนี่ยนะความตั้งใจมั่นหรือว่า ความที่กายกรรมวัจีกรรมเป็นต้นไม่ล่วงละเมิดออกมาหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือความเรียบร้อยทางกายทางวาจาน ะ, ะ, าะนอุปทานระนังก็คือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงแต่ว่าทั้งคู่นั้นส่วนใหญ่แล้วแปลลักษณะเดียวกันก็คือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงถ้าตามคัมภีร์มีเหรินทัศปัญหา นะสมาธานังก็อุปทานังหมดเลยก็ลองดูในหน้าอยู่หน้ายี่สิบสี่นะสีละนาเนี่นะ mm. เห็นไหมถ้าดูที่เป็นภาษาบาลีนะว่า mm. อาวะเสสุเกณเถนะสีลังติดเนี่ยนะที่บอกว่าในปัญหาข้อที่เหลือข้อที่ว่าชื่อว่าศีนเพราะอัฐาว่ากไรตอบว่าสีละนัพเถนะสีลังดูชัข้างข้างภาษาบาลีนะในในในหน้ายี่สบสี่ซ้ายเหมือน นะยีสสใช่อวเสุเอ่านะอวะเสเสเสุเกนเทณสีลันติเนี่ยนะที่แปลคำแปลว่าในปัญหาข้อที่เหลื อ, อ, นะอเนี่ยนะอวสเสเสุเนี่ยนะก็คือแบบในปัญหาข้อที่เหลือข้อว่าเชื่อว่าศีลเกเทเนะนี่ยเพราะอัฏาว่ากไรสีลันติเนี่ยนะชื่อว่าศีนนี่เพราะอัฏาว่ากไร สีละนัตเถนะสีลังแปลว่าชื่อว่าศีเพราะอัฏฐว่าสีละนัสีละนัตเถเนี่ยนะก็คือสีละนับวกอัฏฐะตติยาวิพัตเนี่ยนะสีละนัตเถนะประงั้นเธอชื่อว่าศีด้วยอัฏฐว่าสีละนัทีนี้กิมิทังสีละนังนามะกิมิทังเนี่ยเป็นประโยคคําถามว่าถามว่า เชื่อว่าศีลนี้คืออะไรเล่าสมาทานังวาจำอันนี้คือหัวข้อหลักเลยก็คือสมาทานังอันนี้แหละอ่าท่านอาจารย์ที่แปลบอกว่าตั้งไว้ด้วยดีนี่คือคําว่าสมาทานังอันนี้นี่คือคือหลักเลยส่วนกายกรรมมาทีนังสุสีลยวเสนอวิปปกินตตาติอัทโธอันนี้เป็นคําำขยายความว่า ขยายคําว่าสมาทานังอ่ ะ, ะคาว่าสมาทานังตรงนี้แปลว่าตั้งไว้ด้วยดีก็ได้วาเนี่ยแปลว่าก็ได้หรือก็ได้นี่นะเพราะว่ายังมีส่วนที่จะอธิบายเพิ่มอีกอเสร็จแล้วก็จบใช่ไหมอัโเนี่ยเป็นคำจนถึงคาว่าอัโทเนี่ยเป็นคาขยายสมาทานังส่วนอุปธานังวาหรือเนี่ยนะหรือได้แก่ความเข้าไปทรงไว้ก็ได้ ดังนั้นคําว่าสีระณนะมีสองความหมายคือสมาทานนังกับอุปธารนังส่วนคําหลังจากนั้นมาจนถึงอัดโธเป็นคําขยายคําว่าอุปธารนังเพราะฉะนั้นในคาภีตามแนวคาภีสายเทรวาดเรายอมรับ2ศัพท์นี้คือศั์ว่าสมาทานนังกับอุปทารนังเพราะฉะนั้นในคาภีในคาภี ปฏิสัมพิธามมัค ก, ก็ศัพท์เดียวกันนี่แหละขยายเหมือนกันแต่ว่าสัมนวนต่างกันนิดหน่อยที่เป็นฉบับภาษาบาลีนะทั้งปฏิสัมพิธามมัคทั้งอิติวุตกะบาลีก็เหมือนกันเตะเลยสัมนวนเนี่ยนะอัถะเหมือนกันความหมายไม่ต่างกันคำภีมหานิเทศก็แนวเดียวกันแต่ว่าอย่าลืมนะอาจารย์เนี่ยแปลคนละอย่างก็แล้วกันศัพท์เดียวกันเออเรียนมาจากคนละสำนักแน่นอนแน่เลย อ่าแล้วก็จริยาปิดกก็อันเดียวกันนั่นแหละลย อ, ยอ่าแต่ก็โอ้เขหลายอาจารย์ไงหลายอาจารย์ก็ต้องแปลหลายอย่างแปลเหมือนกันหมดเดี๋ยวก็ว่าไปลอกเข้ามาเสียชื่อหมดอุปธานระนังนี่แปลว่าข้างล่างเห็นไหมบรรทัดล่างสุดเลยเนี่ยได้แก่อุปธาระนัง <ขอ S 1> นะ <ขอ S 1> คือการเข้าไปทรงไว้ก็ได้ก็ได้ก็มาจากวาศัพท์ ก็ได้เนี่ยนะก็ได้ก็ได้ก็ดีอ่ะก็ดีก็ไ ด, เ ด, ด, ไดนน้เดียวกันนั่นแหละทีนี้ความว่าได้แก่เนี่ยเป็นศัพท์อธิบายนะเขาจะาขยายคําว่าเข้าไปทรงไว้เขาขยายแปลว่าความว่าหรือได้แก่อันนี้เป็นคําที่มุ่งไขแล้วว่าความรองรับไว้โดยเกี่ยวกับเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายอันนี้จบนี่นี่คือคืออัถะของศีล ทีนี้ไอ้คำว่าตั้งไว้ด้วยดีเนี่ยนะหรือสมาทานังเนี่ยเป็นคำมีคำอธิบายว่ากายกรรมเป็นต้นที่เป็นไปแล้วด้วยอำนาจความเป็นผู้ทุศีลมีอันนาสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์และความทุกมาให้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตชื่อว่าไม่ตั้งไว้ด้วยดีเนี่ยนะใครที่ที่ตั้งไว้ด้วยอาการที่ทุศีนใช่ไหม กายกรรมที่เป็นไปกับทูตสินวจจกรรมที่เป็นไปกับทูศสลนเนี่ยนะนำความเสียหายทั้งชาตินี้นำความเสียหายทั้งชาติต่อๆไปทําลายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งทําลายทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ชื่อว่าตั้งไว้ไม่ดีอ่า น, นะเขาบอกว่าถ้าจะรู้รู้ดีนะต้องรู้ชั่วก่อนไอ้ตั้งไว้ด้วยดีเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเอาตั้งชั่วมาอธิบายก่อนอ่ะ น, นะ ตั้งไว้ก็ตั้งชั่วเป็นยังไงถ้าแก้วก็ตั้งไว้ไม่ดีก็มันแตกว่างนั่นแตตั้งดีๆเราก็คนึกไปค่อยออกกันนะท่านเอ๊ะตั้งไม่ดีมันเสียหายยังไงนั้นดีกาท่านอธิบายว่าถ้าตั้งไว้ไม่ดีเนี่ยนะกายกรรมอันนั้นมันมีโทษอะถ้าตั้งวาจาไว้ไม่ดีเดี๋ยวก็พูดเพ้อเจ้อเป็นต้นเนี่ยติดตามมาอันนี้ตั้งไว้ไม่ดีแล้วนะเพราะไม่ตั้งอยู่โดยชอบ แล้วก็ไอาการตั้งไว้ไม่ดีนี่แหละชื่อว่าจุ่นจ้านเขาว่างั้นเหมือนอย่างถ้าตั้งไว้ดีก็เหมือนกับเป็นผู้มีตาอันทอดลงแล้วก็มีการไม่แกว่งแขนเป็นต้ น, น, นตเช่นั้นถ้าเช่นคนตั้งไว้ด้วยดีท่านและดูเหมือนกับอิริยาบถนั่งก็คื อ, อเรียบร้อยนะดูเรียบร้อยแต่คําว่าเรียบร้อยในที่นี้หมายถึงหมายถึงกายกรรมวจีกรรมที่ไม่เกลื่อนกลนไปด้วยโทษเนี่ยน ะ, ะชื่อว่าตั้งไว้ดี แล้วก็ไอการตั้งแบบนี้ตั้งเพื่ออะไรก็อุปทานรนาดขยายต่อไปว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงเห็นไหมบางคำพีท่านบอกว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างในบาลีของคำพีอิติวุตกาว่าศีลวาติว่ากันคําว่าคำว่าศีลวาติเนี่ยเป็น เป็นสับตั้งพุทธพจน์พระพุทธเจ้าใช้คำว่าศีลาวเนี่ยคือมีศีนทีนี้ท่านก็ถามว่าเอตเกนะเถนะศีลังอ้าวที่ชื่อว่าศีนเนี่ยเพราะอัฏฐาว่ากไรที่ว่ามีศีนใช่ไหมถามว่าเอตที่ว่ามีศีนเนี่ยศีนเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรศีลนะเถนะศีลังชื่อว่าศีนเพราะอัฏฐาว่าศีลนะแต่อาจารย์ที่แปลคัมภีร์นี้ก็บอกว่าปกติเหมือนน สีเอ๋สีรนาเทนะทนะสีลังจานนี้แปลปกติว่างัน้นทีนี้ก็ถามต่อไปว่ากิมิทังศีละนังนามะเออถามว่าที่ชื่อว่าศีเนี่ยชื่อว่าศีระนาเนี่ยเป็นอย่างไรทางก็บอกว่าสมาทานังแล้วก็ขยายว่าสุศีลยวเสนะกายกรรมมาทีนงังอวิปปกินนะตาติอโถนะเหมือนกับวิสุทธิมักเพื่อเลยเนี่ยนะเหมือนกัน เพราะว่าได้แก่ความที่กายกรรมทั้งหลายเป็นต้นไม่กระจัดกระจายด้วยอำนาจความเป็นผู้มีศีลดีเนี่ยนะกายกรรมเป็นต้นก็ดีหรืออุปทารนังเนี่ยนะอทวาอีกในหนึ่งอุปทารนังชานาทิกุสลธรรมานังปฏิฐานวเสนะอาธารภาวติอโธหัว ง, งันเถอะเขบอกว่าความที่ ศีลเนี่ยนะรองรับไว้ซึ่งกุศลธรรมชั้นสูงว่างั้นแต่เป็นที่สามารถประดิษฐานกุศลธรรมชั้นสูงได้มีฌานเป็นต้นนั่นก็อธิบายลักษณะนั้นไปเพราะฉะนั้นต่างกันโดยพยัญชนะเพิ่มนิด น, ดนดหน่อยๆเท่านั้นเองแต่ว่าใช้ศัพท์เนี่ยเหมือนกันอย่างเช่นในในซ้ายมือเนี่ยกุศลานังธัมมานังเฉยเฉยเนี่ยยอ่อๆแต่ถ้าหากว่าเป็นคัมภี อรรกถาของอิติวุตกะมีคำว่าชานะกุศลาชาณชานาที่นะมีชาญเป็นต้นก็คือชาญสติปทานสัมมาปทานอิธิบาทอินทรีย์พละโพชงอริยมรรส ม, มถธวิปั ส, สนาวิชาวิมุตต์เป็นต้นนะนะท่านก็บอกเออรองรับปุสวรธรรมชั้นสูงๆเหล่านั้นนะนี่ชื่อว่าสีละน ะ, นะแต่ก็ให้รู้นะว่าทุกๆคำพีเนี่ย แนวเดียวกันหมดเลยถ้าจําสีละนะไว้ก็เออไปดูเ อ, อ <c oughs> ก็สีละนะแต่นี่ก็ใหม่ๆก็สร้างความสับสนให้บ้างสําหรับผู้ที่ที่ศึกษาเนี่ยนะถ้าศรัทธาไม่ค่อยมากก็กินลูกท้อไปเลยสองคำลูกนั่นนะวันหลังฟื้นเอาใหม่เ อ, อถ้าผู้ที่จะแปลเนี่ยนะแปลคําว่าสีละนะเนี่ยถ้าอตกะถาจริยาปิดกเนี่ยบอกไว้เลยว่าสีละนะเนี่ยนะ สีละนะคือสมาทานนังกับอุปทารนางนะถ้าจะแปลสีละณนะต้องแปลแบบนี้อสองตัวนี้เอาสับไหนสับหนึ่งมาแปลอันนี้ก็ไดไ้เพราะว่าบาลีแปลบาลีเองแบบเสร็จแล้วว่ามันคืออะไรสีละณนะอันนี้แต่ทีนี้ของเราก็ไปแปลตามตามที่เรานึกอยากแปลได้ก็กเป็นได้แต่ก็ขอให้รู้เธอว่าตัวศีลอัฏฐะเข้าเป็นอย่างนี้แหละถามว่าตัวเขาคืออะไรตัวสีไหนะ เมื่อกี้อัฏถะของสินนะเอาแล้วตัวศีลคืออะไรเจตนาเป็นศีนเจตสิกเป็นศีนสังวรเป็นศีนอวีติกรมะเป็นศีนเนี่ยคือตัวศีนตัวสีลกับอัฏฐะของศีนคนละอย่างแต่ก็ไออัฏฐะก็อาศัยตัวศีนนั่นแหละมานั้นอัฏฐะคือความหมายใช่ไหมแล้วทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยทั้งอัฏฐะหรือลักษณะอันเดียวกัน คือลักษณะของศีลก็ศีลแล้วนะอันนี้แหละคือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเอาแล้วกิจของศีลล่ะศีลมีกิจอย่างไรนะกิจของศีลก็คือกําจัดความทุศีลถ้าศีลถึงพร้อมถึงพร้อมยังไงถ้าถึงพร้อมด้วยศีลก็จะเป็นคุณที่หาข้อติเตียนไม่ได้หรือหาโทษไม่ได้เห็นไหมศีลเนี่ยจะปรากฏอย่างไรอะไรเป็นอาการปรากฏของศีล นะความสะอาดกายความสะอาดวาจาความสะอาดใจเป็นอาการปรากฏอะไรเป็นเหตุใกล้แห่งศีลฮีรีโอตับป่าเป็นเหตุใกล้แห่งศีลเอานะศีลนี้มียนี่สงนะอันนี้สงเป็นยังไงอ่านะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปท า, าสีเลนะนิพุติงยันติไหนนะอันนี้สงคือกำไรใช่นนไหม กาไรเป็นยังไงศีลนะศีเลนะสุขติงยันติมั่งโอ้สุขติโลกสวรรค์เนี่ยวังได้มั่งเนี่ยศีเลนะโพกษัมปะธามีศีลก็จะมีทรัพยใช่ไหมศีเลนะนิพุติงยันติเออมีศีลเนี่ยดับกิเลสได้นะแต่ว่าศีลโดโดๆเลยดับยังไม่ได้นะแต่ถ้าศีลในโสดาปฏิมักเป็นต้นเนี่ยจึงจะดับกิเลส ไ, ได้นะเพราะฉะนั้นศีลในโสดาปฏิมักที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีองค์ประกอบด้านอื่นๆเข้าไปอีก อ้าวแล้วประเภทของศีลศีลนับหนึ่งได้ไหมแบ่งประเภทนับเป็นหนึ่งได้ไหมได้คือศีละนะละนะนั่นแหละนับหนึ่งละอ่านับเป็นสองได้ไหมได้คือจารีตกับวารีตเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเราได้ไปจารีตกับวารีตแล้วนะาจารีตเนี่ยนะเป็นศีลที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติคือปฏิบัติจึงจะเป็นจารีตเหมือนกันเถอะปฏิบัติขึ้นทําขึ้นจึงจะเป็นศีล ธรมาจะสำเร็จได้ยังไงคนที่จะปฏิบัติได้มีอะไรเป็นเครื่องทำให้ปฏิบัติได้ใช้ธรรมะกี่ข้อจึงจะทำให้จารีตศีลบริบูรณ์มีศรัทธากับวิริยะถ้าไม่มีศรัทธานะไม่สามารถที่จะรักษาจารีตอันนี้ได้ยกตัวอย่างนะเช่นว่าพระภิกษุก็แล้วกันปาติโมกเนี่ยนะเขาบอกว่ามีจารีตว่าทุกทุกสิบห้าข่ต้องลงอุโบสถนะพระภิกษุบองั้นเถอะ ถ้าอยู่องเดียวเรียกว่าอธิษฐานอุโบสถสององสามองเรียกว่าบอกบริสุทธ์สี่องเป็นต้นไปเรียกว่าลงปาติโมกเพราะฉะนั้นทุกๆ15วันเธอต้องทำกิจอันนี้นะถ้าไม่มีศรัทธากับขี้เกียจทำได้ไหมไม่ได้พระบางทีเวลานั่งฟังปาติโมกขเนี่ยโหถ้าองค์ที่สวดชา้าๆก็เป็นชั่วโมงอะไงก็นั่งฟังไป ข้าเจ้าข้าขอสงฆรงฟังข้าพเจ้าโบสถวันนี้ที่15บ้าแต่ความพร้อมพรั่งของสงถึงที่แล้วสงพึงทําอุโบสถพึงแสดงซึ่งปฏิโมกข์ก็ว่าไปเรื่อยอนีเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรพยายามจริงๆก็ทําไม่ได้เป็นต้นนี่นะแล้วก็ยังมีข้อปฏิบัติอื่นๆอีกส่วนวารีตนี่นะอาศัยอะไรจรึงจะทําให้สาเร็จวารีตคือข้องงดเว้นนะต้องมีศรัทธานะจึงจะทําได้ถ้าไม่มีศรัทธา ก, ก็ ทำไม่ได้